พวกเราจะมันขยันอย่างไรที่จะ ส, สวงสวิหาทรัพย์คนมันคนมีปัญญาคนขยันย่อมหาทรัพย์ได้นี่ก็เหมือนกันนั่นและถ้าว่าพวกเราขยันมีปัญญารู้จักแยกแยะ แ, แล้วก็ตั้งอกตั้งใจภาวนาปฏิบัตินั่นหละพวกเราจะได้รับความสงบได้รับความร่มเย็นเป็นสุขได้ดื่มรสพระธรรม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 ตั้งกายกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนภิกษุสัมมเนนทั้งต่อหน้าและรับหลังตั้งต่อหน้าด้วยทั้งรับหลังด้วยนะไม่ใช่ต่อหน้าเลยต้ า, หาไหว้ลังหลอกนั้นก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่ถูกนะทั้งต่อหน้าและรับหลังคล้ายๆก็ช่วยกันทำอะไรไม่เป็นทำไม้กวาดไม่เป็นทำให้และก็องที่ทา องค์ที่ทําไม่กวาดให้องค์ที่ดูแล้กันเอาไปปัดกวาดแทนองค์ที่ทําให้กวาดให้นี่แหละอันนี้ก็คือการอยู่ด้วยกรรมประกอบด้วยเมตตาในกายกรรมคือการกระทำํำเข้าไปตั้งวจีกรรมไปตั้งเข้าไปตั้งวัจีกรร ม, รรมในเพื่อนภิกษุสามเณรทั้งต่อหน้าและรับหลัง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 คือทำตนไม่ให้ย่อหย่อนไม่ใช่ว่าตัวเองทำย่อหย่อนจนหมูลังเกียดเดียดสันนอนตื่นสายบางังเอารัดเอาเปียบหมูพวกเพื่อนบงังหมูมาซาลาปัดกวาดตัวเองยังค่อยโดยโดยมาแล้วก็มาเอารัดเอาเปียบหมูเวลาหมูปัดกวาดที่ไหนได้เดี๋ยวเวลาฉันอะไรเร็วก่อนเพื่อนต่งการอะไรเร็วก่อนเพื่อน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 ให้ประกอบคุณงามความดีในหลักธรรมคาสอนของพุท ธ, ธะให้ชำระใจด้วยศีลสมาธิปัญญาด้วยสมาธิด้วยปัญญานะ่ยชำระใจเมื่อใจของเราหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสนั่นะมันจะตายครับมันตายถอะเฮ่อตายร้อนตายหนาวตายที่ไหนไหนไม่ได้มีปัญหาทั้งนั้นน่ะเฮอมันจะตายอย่างไรตายร่างตายมันพร้อมที่จะตายในทุกโอกาสด้ทุกเวลานะ่